คนจีนก็ครอบงําไปทั่วอเมริกาแต่นั้นเองอันนี้คือมันต้องครอบคุมไปหมดว่ากรรมฐานและด้านวิปัสสนาต้องทํางานเป็นนะไม่ใช่ว่าคุณปฏิบัติไปแล้วอ่อนแอทํางานไม้เป็นพระที่ไปอยู่กับธรรมาต้องทํางานเป็นเพราะมาฝึกทุกอย่างฝึกการต่อน้ําต่อไฟการสร้างกูตีการออกแบบอะไรต่างๆคือฝึกการทํางานนั่นแหละฝึกเจริญสติของการทาํางาน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 ตื่นตัวขึ้นในแงของพุทธศาสนาท่านกวินิกาถือเป็นเคลื่อนหัสนาสามารถแพร่ขยายไปทั่วโลกเราสมเด็จบันเราทำอย่างนั้นได้สักองค์ม้าดกก็ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือเทรวาตเพราะนั้นมันจำเป็นต้องผสมผสานทั้งเทรวาดมหายานด้วยกันเอามาโชคดีตรงที่ว่าได้เข้าไปคุกขีทั้งสองส่วนคุกขีทั้งเทรวัตทั้งมหายานคุขีทั้ง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 เพราะฉนั้นมันก็ทิถิมนะันก็โตตามลําดๆๆับเอาอย่างนั้นเปลี่ยนเมือ่อหลวงพ่อผู้รัฐช่วยไม่ได้ไม่ใช่พระท่านไม่เก่งนะแต่เราอ่อนแอเองนะเราเข้าไปถึงเองเอาเปลี่ยนไปหาหลวงพ่อธรรมธิราชมหามุนีวัดมหาธาตุหรือเจ้าคุณชโชดุปนะปีหนึ่งก็ไม่เวิร์กเอาไปศึกษาของไอโศกบ้างก็ไม่เวิร์กในสุดมาเจออาจารย์ควิทแนะนําให้รู้จําหลพเทียนยนะี้แหละ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 ท่านะนั้นเองก็ก็ยังมีแ ม, แม้พระุทธเจ้ท่านเองก็ยังมีข้อผิดพลาดผิดพลาดยังไงที่สอนอนานาปณะสติชุดแรกๆพระเกิดได้ปีติได้ฤทธิ์ได้ฌานสำคัญว่าหมดกิเลสแล้วถ้าอยู่ต่อไปกลัวทำกำรรมโลกก็พากันฆ่าตัวตายถึงได้กล่าวมาวันก่อนว่าการบัญญัติอาบัตปราชิกขึ้นเกกับการฆ่า ม, มนุษย์เนี่ยก็เพราะเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ก็ยังมีผิดพลาดอยู่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 อืออ่าสาธิเตเลยเวลาเหลือห น, น่อยนะขัสมาดหนึ่งคือคั้นสมาดปล่อยขาแบบเนี้ยไม่ต้องทับอะไรเลยขาปล่อยทั้งสองเนี่ยคือจะให้มันทับกันให้มันมันผดผายสมาดหนึ่งชั้นหนึ่งละหนึ่งขสมาดปล่อยขาใช่หมสองขั้สมาดทับทั้งสองข้างสามขาสมาดสองชั้น สี่ขดมาธิสามชั้นอ่าเข้าใจมสี่ 4, ชั้นทีนี้อีกท่าหนึง่งไม่อยากจะให้เสี่ยงก็คือท่านอนนะโดยเฉพาะเวลาเหยียดขาเนี่ยเหยียดข า, าไปสักห้านาทีสามนาทีห้านาทีเอาเอเ็นเช่หน่อยหนึ่งต้องลืมดาลสร้างเยาวะนะขาะมือตกปั๊บไปเลยทีนี้แต่บางคนลองเสี่ยงดูก็ได้ไม่ว่ากันนะเสี่ยงดูแต่ว่าทาท่าจะเครื่แล้วก็ตืนขึ้นมา